วันนี้เป็นแคสซีหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหลังศนนตรงกลางลมัดมือแต่ง ล, ลูกเริ่มควัดสร้างบารมีเมื่อปีสองห้าสี่หนึ่งจะนั้นลูกก็ได้รับบุญพิเศษที่ทำให้ลูกปลื้มใจมากคือ ได้เป็นบุคคลแรกในชุดผู้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่อมาคือวัดภาวนาโอซาก้าในปัจจุบันค่ะตอนก่อตั้งศูนย์แรกๆรกโลกทั้งติดต่อหาที่พักให้จำนวนที่ชักชวนหาเจ้าภาพหาคนญี่ปุ่นคาา้าประกันศูนย์ปฏิบัติธรรมทุ่มเทแบบทิ้งงานบริษัทไปเลยสุ นอนี้เรายังได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์จากศูนย์โตเกียวให้ดูแลเรื่องการจัดงานบูชาของกลุ่มกเรมิดในโอซาก้าตั้งแต่การจัดงานบูตุบาศกสิกาแก้วที่โอซาก้าครั้งแรกหาสถานที่จัดปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระทุกต้นเดือนและบนที่โลกทําควบคู่ไปด้วยก็คือบนสร้างพระธรรมกายําตัวจารึกชื่อตนเองครอบครัวและหมู่ญาติ เป็นประธานรองทุกงานบุญตลอดมาตั้งแต่ปีสองหสี่หนึ่งสาธุพระลูกตระหนักดีว่า<ส>เวลาชีวิตบนโลกใบนี้มีอยู่อย่างจำกัดเราจึงต้องรีบตักดวงบุญไปให้มากที่สุดก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงนี่ไหมจ๊ะผู้มีบุญมีดวงปัญญาเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะคิดอย่างนี้ ว่าเวลาชีวิตอยู่บนโลกนี้มันมีอยู่จํากัดไม่ว่าเด็กไว้เล่นนมสาวผู้หลักผู้ใหญ่ไวยชราเนี่ยล้วนแต่มีเวลาของชีวิตเท่ากันทั้งสิน้นทั้งๆ ท, ที่อายุไขมนุษย์เฉลี่ยนอนยุแค่เจ็ดสิบห้าปีทุลกแต่ก็มีผู้อยู่ไม่ถึงอายุไขเฉลี่ยเจปีก็เยอะถึงอายุไขเฉลี่ยก็เยอะแต่มี ส่วนที่เกินจากอายุไขเฉลี่ยนั้นไม่มากก็่าไรบางคนเกิดมากับตายกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยบางคนตายตอนวัยรุ่นวัยหนุม่มวัยสาววัยเท่าแก่ชราอะไรต่งางๆเหล่านั้นแล้วว่าเวลาในชีวิตที่มีเท่ากันอาจาะย์อาจารย์ผู้มีบุญก็จะคิดว่าเวลาชีวิตบนโลกนี้มีอยู่อย่างจำกัดแล้วจึงรีบตักตวงบุญไปให้มากที่สุด บุญนี่ยแหละจะทําให้ใจเราใส่ําพาเราไปสู่เทวโลกบุญคือมิตรแท้จะจะติดตามตัวเราไปในทุกขนทุกแข่งที่เดียวเราก็จะไปส่งผลในทุกสถานที่ที่เราไปเกิดใหม่ถ้าไปเกิดในเทวโลกก็มีที่พิสมบัตินํามในมนุษยยโลกก็มีมนุษย์สมบัติ และยังส่งผลให้ได้ถึงนิพพานสมบัติอีกด้วยเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมคณะต้องสั่งสมบูรณ์กันนะจ๊ะแล้วกล่าวว่าความีมตามครูวิจัยฝันในฝันลูกักนิดนะคะแม่งลูกจะเกิดที่เมืองไทยแต่ตั้งกลับไปอยู่เมืองจีนตั้งแต่อายุห้าหขวบเพราะคุณตาถูกเรียกเก็บภาษีธุรกิจย้อนหลังอันลมาเกี่ยวอะไรด้วยนะ คุณตาจึงได้พาคุณยายและคุณแม่กลับไปสาัยอยู่กับยายทวดที่เมืองจีนตระกูลยายทวดเป็นคุณนางเก่ายายทวดเป็นใหญ่อยู่ในตระกูล น, นั้นท่านร่ำรวยมากมีเงินเป็นหับหับเต๊ะกินข้าวยาเหมือนในหนังจีนเลยค่ะคุณยายทวดต้องการแต่ลูกหลานผู้ชายไว้สืบสกุล ตามความนิยมของคนจีนดังนั้นเมื่อคุณยายคลอดลูกคนต่ อ, ตอมาเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะถูกเอาคีเท่ายัดปากและเอาไปทิ้งให้เสียชีวิตครูผู้ใหญ่ก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอ น, นเด็กๆเดี๋ยวเ๋ยเอาคีเท่ายัดปากก็นนึนก็เป็นคำพังเพยเอาไว้คููเด็กไม่เคยคิดว่ามันมีจริงๆที่ในเมืองจีน ที่เรักแต่ลูกผู้ชายแต่ไม่ชอบลูกผู้หญิง<อ>ที่นี้จะเกิดเอากีาเ้เท้ายัดปากลูกผู้หญิงหมดเ น, นี่ยแล้วแต่ลูกผู้ชายกับลูกครึงง่งเียอะไรมันจะเกิดขึ้นศูนย์พันใช่ <ś lu f ing> แต่ตอนนั้นเขาคิดกันอย่างนี้เนี่ยเพอาะลูกผู้หญิงจะเลี้ยงไว้ก็ต้องไว้ให้คนอื่น เ, <อ>เขาหมือนเลี้ยงไว้ให้คนอื่นเก็มักจะคิดกันอย่างนั้นแต่เด็ชาไปสืบเลยคุณ เอากีเถาา้ายัดปากแล้วไปทิ้งให้เสียชีวิตคุณแม่กระโดนอย่างนั้น uh huh. โชคดีที่แม่ของลู ก, กรอดมาได้เพราะเป็นลูกสาวคนโตและเกิดที่เมืองไทย uh huh. ถ้าเกิดเมืองจีนมีสิทธิ์ <c oughs> ได้กินขีเท่าตั้งแต่ยังเด็กเ uh huh. มื่อคุณแม่อายุได้สิบแปดปี uh huh. ก็ถูกคุณตาจับไปแต่งงานกับคุณพ่อ uh huh. ซึ่งอยู่ที่เมืองไทย ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันคุณแม่ก็บอกหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมคุณตาบอกไม่ได้ต้องยอมหนู่ยอมหนูไม่ยอ ม, ม, ยอมไม่ได้ต้องยอมไม่อยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานคุณตาไม่ยอมจึงเอาเชือกมัดมือมัดเท้าคุณแม่อันนี้มัดมือแต่ง แล้วก็ลากลงเรือมาเมืองไทยเพื่อให้มัดแต่งงานกับคุณพ่ออ <Hey. S 1> นี่ยมัดมือชกแต่นี่มัดมือไม่ได้ชกเลย uh huh. มัดมือแต่ง uh huh. แล้วมัดเท้ า, าด้วยและนึกกันนัมัดทั้งมือมัดทั้งเท้าล <c oughs> แล้วก็ลากลงเรือมาเลย uh huh. ไม่เหมือนกับอัญเชิญเทพธิดาภรยาของท่านโชติกะเศรษฐีนะโอ้ <Okay. S 1> oh, ไม่ต้องมัดมือมัดเท้ า, าแล้ว อันเชิมาจากอุตรคุรุธวีปตามภาษาคนมีบุญว่าคุณแม่แต่งงานคุณพ่อและชีวิตของแม่จากที่เคยสบายเพราะคุณยายทวดรวยมากก็ต้องมาลำบากทำไมต้องรวยนี่ทำไมต้องรวยมาลำบากคบีจ๊าลองจนดูนี่คุณแม่ทำกับข้ามไม่เป็นกระโดนัองสางพอง่อแกล้งเช่นสอนทอดไข่ดาวโดวยให้ตั้งกระทะให้ร้อนจัด แล้วใช้น้ําราดลงกระทะรล่ลอนๆแทนน้ํามันจนกระทะแตกจึงถูกคุณย่าดุได้ต่อมาพระคุณแม่เริ่มมีลูกแม่ไม่อยากมีลูกเยอะดังนั้นตั้งแต่เริ่มว่ามีลูกคนที่สี่แม่จึงเริ่มกินยาขับแล้วก็ขับออกไปได้หนึ่งคนค่ะแต่สุดท้ายคุณแม่ ขนาดขับไปไปแล้วยังมีเหลืออีกตั้งแปดคนตัวลูกเป็นคนที่หกค่ะขนาดขับไปแล้วคุณแม่ท่านชอบเลี้ยงเด็กที่ใส่ในขวดคือชอบเลี้ยงกุมารทองอมักจะเอาทองหยิบทองหยอดไปไหว้กุมารทองสามตนจะอยู่บนหิ่งเป็นประจำ จริงไม่ทองหยิบทองหยอดเนี่ยไปถาวายพร ะ, ห, ะหรือเด็กนี่ก็เยอะเพราะทันั้นมดมันจะกินแ <c oughs> ในช่วงที่ลูกยังเด็กพอแม่วางขนมปุ๊บพอข้าสายตาแป๊บเดียวขนมก็จะหายวับไปเลยอออตอนลูกยังเด็กอยู่เนะี่ยพอแม่วางขนมปุ๊บพอแม่คข่าสายตาแป๊บขนมหายวับเออ เพราะลูกแอบหยิบกินก่อนกุมานทองอะโอ้แน่จริงเลยก็ถูกต้องแล้วลูกเรื่องอะไรเนี่ยทองหยิบทองหยอกไปหยอดนั้นกินก่อนกุมานทองทีนี้มันไม่อย่างงั้นได้สิคเพราะตกกลางคืนลูกจะรู้สึกเหมือนกุมารทองสามตอนนั้นมาหาลูกมาเลยสั้งสาม ออกจะขวดมาเลยมาง้างปากมากดตั้งท้องลูกจ้ออาขนมออกลูกจริงต้องตื่นมาหอบหแคกเป็นประจำ oh. ส่วนน้องชายคนจะท้องลูกพราแอบกินปุ๊บโดนบีบคอรตรงนั้นเลยเออตัวลูกเอาแค่ตอนฝันตอนกลางคืน oh. <laughs> แลาคุณแม่เนี่เลิฟกุามารทองมากเลย mm. แต่ว่าให้เนะี่ยไม่ได้ให้ฟรีนะ ต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาทองหยิบทองหยอไปตั้งไว้แล้วก็ไปข อ, อขอหวยกับกุมารทองบ่อยๆแล้วก็ถูกถูก<า>อะไรจ้าถูกกินมั่งถูกหวยมั่งถูกทั้งสองอย่างบ่อยๆครับเดือนมกราคมพุทธศักราช2548แม่ล้มยนันทิสาฟาดพื้นกุมารทองรับไม่ทัน <c oughs> ทำให้เลือดคั่งในสมอง <Hey. S 1> จนต้องพาเลือดที่คั่งออกหลังพา ต, าตาัดกางของแม่เหมือนจะดีขึ้นลูกๆยังพากลับมาบ้านแต่ต่อมาคุณแม่เกิดแน่นในอกระหว่างนําส่งโรงพยาบาลคุณแม่ได้หยุดหายใจไป hmm. แตก็หมาก็เลยช่วยปั๊มหัวใจและฉีดยากระตุ้นหัวใจให้จึงมีชีวิตต่อได้แต่วันรุ่งขึ้นท่านก็เสียชีวิต จากวันนั้นก่อนคแม่จากไปลูกซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้ให้น้องเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างหูแม่แม้คุณแม่จะนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ลูกก็พยายามบ่อยคุณแม่นึกถึงบุญที่ลูกจะทําให้ทุกบุญคือบุญสร้างพระธรรมกาพยามตัวและบุญสาวแก้่พันปีหลัองจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทาบุญท่ากระถิ่นบีสองห้าอุทิศให้คุณแม่โดยใส่ชื่อของท่านด้วยค่ะ คุณย่างลูกท่านมีลูกหลานเยอะมากแต่ละคนก็อยู่กระจาย ก, ก, ก, กันไปทำงานของตอนเองรวมทั้งตัวลูกเองด้วยจึงไม่รู้สึกผูกพันกับท่านมากนักในช่วงเรียนต่อที่ญี่ปุ่นปีแรกลูกฝันว่าที่บ้านจัดงานศพคุณยา่าแล้วระโทกลับไปเมืองไทยแล้ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านเสียมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วจริงๆต่อมาตน้นปีสองหาี่หนึ่งลูกก็ฝันว่า คุณย่าใส่ชุดขาวเดินตามหลังลูกแล้ว ก, ก็ บ, บอกท่าสร้างพระแล้วนะคุณย่าต้องกายกมือไหว้แล้วก็ยิ้มแล้วก็หายวับไปตัวลูกเองในวัยเด็กลูกซนตั้งแต่จําความไม่ได้พบเหตุการณ์เฉียดตายก็หลายครั้งเช่นช่วงน้ําท่วมกับคลานจนตกน้ําตายไม่ตายไหมไม่ตายแต่ไม่ตายเพราะมีคนมาช่วยเด็ทัน อายุสองขวบผ่าตัดคอติดที่โรงพยาบาลเพราะเสมาติดหลอดลมมากทำให้หายใจไม่ออกชักตาค้างของไปในร่างกายมันเป็นอุปสรรคตัวจริงนะขันนำมาคุณหมอบอกว่าทำมาใจนิดเดียวก็คงไม่มีชีวิตรอดแน่นอนปัจจบานลูกยังเป็นโรคภูมิแพ้มาสิบอ็ดปีแล้วค่ะ เมื่อยุได้ยิบสองปีลูกก็เดินทางไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นพบรักสามีตั้งแต่อยู่ในไว้เรียนเรียนยังไงเนี่ยเ <c oughs> มื่อเรียนจบก็มีงานทำแล้วเราก็แต่งงานกันจนวิศสองหสี่หนึ่งลูกได้มีโอกาสอ่านวารสารของสูงมิติปธรรมที่ญี่ปุ่นเกิดศรัทธาอยากสร้างพระธรรมการไปจำตัวจึงเริ่มติดต่อและก็ส่งเงินทาบุญกรสืมิปธรธมโตเกียวอยู่เสมอ เราจะเป็นหนึ่งในรูปธรรมที่นั่นและเป็นชุดบุกเบิกศูนย์ประชธรรมโอซาก้าในที่สุดค่ะ ส, <า>สามีลูกวิญชาณญี่ปุ่นตำแหน่งผู้จัดการยหญ่บริษัทผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนประตูรีโมทสามีเป็นคนคุยสนุกเข้ากับคนง่ายเมื่อถึงฤดูหนาว หากยืนมากนั่งมากบักจะเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบเจ็บปวดหลังบางทีเดินไม่ได้ทรมานมากลูกพยายามชวนสามีให้มาสร้างบารมีกรบหมูกันนะแต่เขายังไม่เข้าใจสักอย่างไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ทุกวันถึงแม้สามีกองลูกจะยังไม่เข้าวัดแต่ลูกเองก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัว นำเงินของสามีมาทำบุญบ่อยๆหลังจากทําบุญแล้วลูกกับยายบ่อยเขากล่าคําว่าสาทุเขาก็สาทุแต่ก็ทําเหมือนเล่นๆไม่ได้จริงจังมากนักลูกนายายเขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่จะเลิกนี้แล้วก็ต้องเลิกผลิตปิดโรงงานไปเลยนั่นแหละอยายก็เลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเร็วเร็วจังเลยค่ะ พี่สะพายจะเป็นพยามวิชายคนที่สองเป็นคนพู ด, พดจ้าเนี่ยขวานบาทรากตรงๆหากเรืงโลกไปทาบุญที่วัดปฐมกายก็จะว่าภายหลังเอาก็จะว่าภายหลังพี่สไพายเป็นโลกมะเร็งในรังไข่ท้องบวมมากต้องดูดน้ำออกไปเป็นฤทธิ์รัศสาจะเปิดดาวทำให้ดูแต่พี่สไพายก็ไม่คอยจะได้ดู แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดได้ไวยหัยสิบปีคำถามน้องๆของแม่ที่คลอดมาเป็นผู้หญิงและถูกคิดเท่ายัดปากจนเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเป็นเพราะกรรมใดตอนนี้อยู่ไหนโโหถามอย่างกระ่วยมอดสัตร์หน่วยมอาสตว์โอ้ีเซลน่นน เด็กหายไปพ่อแม่เนี่ยไปหาท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกหายไป ล, ลูกหายไปร้องหอบร้องไห้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เลยบอกเอาไม่เป็นไรใจเย็นๆ เ, เดี๋ยวได้ช่วยก็เธอกรี๊งไปที่ท่านพ่อ ค, คุมหน่วยมอสซาดยกหูเสร็จก็เด็กอยู่ที่ไหนเนี่ย หายเนี่ยแค่นี้วางหูเลยคือพูดเปดวงปัญญาก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเ <c oughs> ด็กหายไปอยู่ไหนตามหน่อยวางมาันงกวนนั่งนึกก็เอาโลกมาแผนที่โลกมาดูแล้วลก็ไปส่งสือกันไปเรื่อยในสุดเออผู้สแสวงหา ย, ย่อมพบะ ก็รู้ว่าเด็กอยู่ในอเมริกาภูมในการหน่วยมอสสั์ก็โทรไปถึงประธานาธิบดีอเมริกากรี๊งไม่ทราบตอนนั้นยุคของใครจําไม่ได้แล้ะอ่านี่มิสเตอร์บิสเดรับผมขออนุญาตไปตามเด็กในอเมริกาแล้วก็วางหูเลยนั่นก็งงๆเอ๊ะถือว่าได้ขออนุญาตประธานาธิดีแล้วเออแล้วก็ไปเอาเด็กมาคืนยนได เออเก่งจริงๆแต่นี่ตายแล้วไปไหนเนี่ยหน่วยมอสตา์ <What did? S 1> จะไปหาเจอไเนี่ย <c oughs> บุปกรรมดหญิงชาวจีนในอดีตั้งถูกฆ่าตายตั้งแต่แรกเกิดเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการจะ่วิชากลับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผู mm. ้ที่ฆ่าหรือสังฆ่าจะรับวิบากกรรมอย่างไรคะ บุญใดคุณแม่จริงรา ช, ชีวิตไม่ถูกค่าย่างแดเด็กท่านบูชากุมารทองเื่เขาหวยจะมีผลกรรมอย่างไรและกุมารทองได้มาหาและทำะร้ายตัวลูกและน้องชายจริงหรือไม่ในช่วงลมหายใจสุดท้ายคุณแม่รับรู้สิ่งที่ลูกพูดผ่านโทรศัพท์หรือไม่ละลูกแล้วมีคติเป็นอย่างไรบุญที่ลูกทาให้ช่วยคุณแม่อย่างไรบ้าง ท่านฝากอะไรถึงลูกๆบ้างไหมคะงานงานชาธุรกิจของคุณแม่ได้รับพระราชทานเบงศพเพราะบุญอะไรคุณแม่จึงได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งอย่างนั้นและตัวท่านรู้สึกอย่างไรคะกรรมในท่าคุณแม่ต้องถูกมัดมือมัดเท้ามัดเจอคุณพ่อแบบคลุมถุงชนคะ่ะคุณพ่อกับคุณแม่น่ะทะเลาะ ก, กันตลอดเลยทุกวันตั้งแต่ตัวลูกเองอยังเด็กๆ แต่ทะเลาะกันไปก็มีลูกกันไปด้วยกันถึงแปดคนเป็นเพราะท่านทังสองสร้างบุรุษกันมาอย่างไรคะมันก็แฝบเงินก็คงมีชูไม่ทะเลาะมั่งแล้วนะลูกของแม่ตั้งแต่คนที่สี่ถึงแปดคนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวลูกเอ็มเป็นคนที่ห สี่ห้าหกอยู่ตรงกลางจะถูกคุณแม่กินยาขับและขับออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ยแต่ก็คลอบมาได้เพราะบุญใด<อ>มีเพียงคนเดียวที่ขับออกได้เพราะกรรมใดคือที่ขับมาทั้งหมดถูกขับออกได้เพียงหนึ่งออและคุณแม่จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างที่ขับ พิญญาขับออกมาเหตุใดลูกจึงฝันว่าที่บ้านจัดงานสบคุณย่าและเมื่อโทรกลับไปบ้านกรทราบเป็นเรื่องจริงต่อมาความฝันที่ว่าคุณย่ามาหาลูกนั้นน่จริงหรือไม่และเหตุดคุณย่าจึงยกมือไหว้และยิ้มบุญจาการสร้างพระอาทิตย์ไปให้ท่านน่มีผลต่อชีวิตในปรจจุอย่างไรคะ สามีของลูกป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบพราะกรรมอะไรคะบุญการนุโมทนาบุญที่ลูกนําเงินเขาไปสร้างบุญต่างๆจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะแล้วลูกจะทําทอย่างไรให้สามีของลูกเาวัดมาสร้างบรมีกมูขณะคะพี่สะายลูกเสียชีวิตด้วยเริ่อมะเร็งในรังไขเพราะเธอทํากรรมอะไรมาขณะ น, นี้เธออยู่ที่ไหน ถ้าได้รับบุญสร้างพระและซื้อที่ดินสร้างฐานที่ตัวดงกัสถานเขาแก้วเสด็จหรือไม่คะหลานาสาวจะเป็นลูกของพี่สัพ้ายได้มาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครจัดงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายบุญนี้จะช่วยพี่สะพ้ายในปรโลกอย่างไรบ้างและหลานาสาวสร้งสางบรมีกบุญกานาม่อย่างไรคะออมาเป็นอาสาสมัค ร, เ, าา เ, นครเนาะ บุพกรรมได้ไว้เด็กลูกยังตกน้ำเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่ตายต้องถูกผาตัดคอตีบและปัจจุบันก็เป็นโรคภูมิแพ้สิบอปีแล้วเ้าอยู่ในห้องแอร์จะคัดจมูกหายใจไม่ออกจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างพุทธนารที่ผ่านมาู้รีสามีสร้างบริมีกมุขนะมาอย่างไรเหตุใดลูกจึงได้รับบุญเป็นผู้บุกเบิกวัดภาวนาโอซากา้า จะได้รับอ น, นิสงส์อย่างไรและลูกจะต้องทำหน้าที่อย่างไรกับพี่น้องท้องเดียวกันที่ไปเข้าใจวัดเลยคะจำเรื่องราวและคำถามได้ัหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฟันมินตุมินตะเตือนขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไลฟังเปนนิยายปารามรากัญชา นังนอของแม่แต่เป็นผู้หญิงถูกเอากิเท่ายัดปากจนตายเพราะกรรมสติบาในอดีตชาติที่ผ่านมาแต่หลากหลายกันเช่นกรรมที่ฆ่าลูกสัตว์แรกเกิดเพื่อปรุงเป็นอาหารกรรมที่บางคนได้เคยสั่งค่าเด็กในทํานองนี้หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อให้เด็กแรกเกิดตายด้วยเหตุต่างๆมาส่งผลจ้ะส่วนใหญ่ก็ไปตายเกิดตายเกิดคล้ายๆทำนองนี้อีกหลายครั้งโอ้แล้วบางคนก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะครับคือไปถูกคิดเท่ายัดปากนี่อีกหลายครั้งแต่<อ>าบางคนก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วน้องๆของแม่นะ ข้าลูกสัตว์ะแะกรเกิดเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเอาเองว่าสัตว์เกิดมาให้เรากินเพราะมันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้รากว่ายเองเออเองโมเมเสร็จเพราะมันล้องไายเพราะความกลัวก็บอกว่ามันดีใจที่จะให้ข้าเป็นอาหารแล้วจะได้ไปเกิด อ, อยู่กับเทพเจ้านับถือว่าเองเออเองหมดเลยมนุษย์นี่เนาะ ผู้หญิงจนที่แรกเกิดได้ถูกฆ่าตายในทานองเดียวกันนี้เพราะความเชื่อผิดๆว่าลิ้ยงเอาไปให้คนอื่นบ้างบางทีบางครอบครัวก็ได้เหตุผลทางเศรษฐกิจแล้วจะวิบากกรรมทางทฤษฎีกล่าวมาแล้วเป็นต้นจึงเจออย่างนี้เจอความเชื่อกลับไปเกิดในสังคมที่มีความเชื่ออย่างนี้บางทีมีลูกมากยากจนก็ อยามีเป็นต้นเลยมีที่มีแล้วพอแล้วแล้วก็มีวิบากกรรมดังที่ได้กล่มแล้วด้วยรสรุนลูกชายได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะความเชื่อพระลูกชายจะเป็นผู้สืบสกุลกับลูกชายเอ่อจะได้เป็นผู้สืบสกุลกับลูกชายไม่ได้มีกรรมดังกล่าวแต่มีบุญสงเคราะห์ญาตหรือบุญเก่าที่เลี้ยงดูบิดามารดามาทําทานมามากน้อยเพียงไหนก็ จะถูกเลี้ยงดูไปตามกำลังบุญดันกล่าวเจ้านี่ลูกเศรษฐีที่ลายฟังวันนี้ดมแม่ยังดูจนกระทั่งมีลูกกันหลายคนแล้วนะยังไปซื้อชุดชั้นในให้ลูกชายเลยเออดูแลที่หลับที่นอนเลย ม, มีบุญหนึง่งเลยอืมลูกชายก็บอกเกิดเป็นมนุษย์ดีนะะสบายแต่ไม่รู้เราก่อนจะมา ลูกเศรษฐีนี้ได้ประกอบเพจอย่างไรจึงมามีผลอย่างนี้พุทีิฆ่าหรือสังฆ่าก็จะมีวิบากกรรมก็จะได้รับกรรมได้ทำนองเดียวกันแล้วก็จะอายุสั้นช่นี่ฆ่าเขาก็อายุจะสั้นน่ะคุณแม่ราชีวิตมาไม่ถูกฆ่าตายด้วยวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เด็กเพราะ คุณแม่ไม่ได้มีการบาลานติบาตในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะถึงรอดมาได้ถ้าบูชากุมารทองบูคขอหวยนั้นก็จะทำให้ท่านมีผังเนี่ยเซตโปรแกรมในตัวที่จะต้องตกอยู่ในวงจรสยเวทเพราะมีเชื้อแห่งความหลงติดตัวจะติดตามไปจ้ะเหมือนเงาตามตัวกุมารทองได้มาหาและแกล้งตัวลูกและน้องชายจริงๆแลจ้ะ แกล้งได้กับลูกก็มีเชื้อมันไม่ใช่ว่าจะแกล้งได้ทุกคนคเชื้องลมหายใจสุดท้ายแม่ทาไม่รับรู้แล้วอะไรแล้วตอนนั้นแต่ก็ได้รับบุญที่ลูิไปให้ก่อนตายก็มีกตินิมิตไม่มองไม่ใสามากจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นผูมิเทวชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านผูมิเทวแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ลูกทำให้จ้ะ ทนมีความสุขขึ้นกว่าตอนละโลกใหม่ๆเพราะบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านท่านยังฝากอนุโมทนาขอบคนลูกมาว่าขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ตอนนี้แม่สาวขึ้นสวยขึ้นมีอาหารที่อร่อยอร่อยมีเสื้อผ้าสวยๆพอที่จะไปอวดภูมิทวารอื่นให้้า่ภูมิทวาอื่นเนี่ยเสื้อผ้าไม่สวยปูปู ป, ป, ปะ เขาให้เสือ้อผ้านะผมว่าให้เดียกันใส่ไม่ได้นะออแว บ, บหายไป<อ>มันใส่ได้ตามกําลังบุญเนี่ยชีวิตในปรมโลกนี่ต้องศึกษากันอีกเยอะครับไม่ศึกษาไม่ได้ครูปยายนี่อยากให้ตายและสูญย่างเลยเนะี่ยมันจะไดจจจ้จบกันไปมันง่ายดีแต่มันไม่อย่างกันนะทีชีวิตในปรโลกนี่ชีวิตหลังจากตายแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จริงเราเคยตายมาตั้งเยอะแยะแต่เราลืมไปเกิดมา เราก็ดันมองไม่เห็นชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้แล้วเพราะั้นเผื่อเหนียวทำบุญเอาไว้เถิดถ้าปรโลกมีจริงเราก็สบายทำไมมีกระจอกกันไปตอนนี้มีวิมานอย่างสุขสบายมีบ้านสุขสบายคุณแม่ได้รับพระาาราชทานรลศพเพราะบุญที่บูชาบุคคลที่ควรบูชามาในอดีอ อึงได้รับเกียรติเช่นบุชาพระลันตรัยและผู้มีศีมีธรรมมาส่งผลให้สบสวยได้รับเกียรติยกย่องนี่ได้รับการยกย่องแคเดียวไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะต้องได้โดยตามกาลังบุญตอนนี้ท่านก็มีความรู้สึกที่ดีที่ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งนี้จ้ะ คุณแม่ถูกมัดมือมัดเท้าคลุมถุงชนมาเพื่อแต่งงานกับคุณพ่อเพราะในดีท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านชอบมากเลยให้สัตว์มารักกันนี่จับคู่กันมันเลิบ ก, กันแบบคลุมหลุงชนกลับเคยจับลูกหลานคลุมถุงชนแบบนี้มาด้วย มา ร, รวมส่งผลทั้งกับสัตว์และกับคนกับลูกหลานด้วยมาเจอมัดมือมัดเท้าเลยคุณแม่ทารักคุณพ่อมาตลอดแต่ไม่ลู้เด็กกันน่ะแปดคนเพราะเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันแล้วก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาบ้างบ้างซึ่งก็จะเป็นดังนี้คือไอตอนเป็นสามีภรรยากันเนี่ย ตอนทะเลกันก็บอกยอย่าต่อจากนี้ไปเราจะได้แบบเป็นภรรยาสามีกันอีกเลยเลิกเด็ดขาด ต, ตัดกันอืไปเกิดเป็นหมาที่บ้านก็นยังดีเ <c oughs> อ, อยจะถึงขนาดนั้ น, น, นเลยอ <c oughs> ก็เลยดีกัน <c oughs> พันดีกันอสองเรามาเป็นสามีภรรยากันอีกนะ <c oughs> พลิกไปพลิกมาต <c oughs> ลอด <c oughs> ชีวิตที่พลิกไปพลิกมาอย่างนี้ อกรลอยกันที่ก็จะอย่าเจอกันพอเริ่มกันที่อเมราเจอกันดีกว่าพลิกไปพลิกมาเนี่ยตามภาษาคนที่ยังมีกิเลสเราก็มีกิเลสแล้วเราไปเลือกคนที่มีกิเลสจากหกพันกว่าล้านคนเนี่ยมาอยู่เคียงข้างคนมีกิเลสมีไฟอยู่ในใจร้อนแรงมีปัญหาอยู่ในตัวของทั้งคู่พอเจอกันเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยใจอีน่ะ โลกคุณแม่ตั้งแต่คนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าคนจะถูกคุณแม่กินยาครับแต่ทุกคนก็รอดมาได้เพราะไม่ได้มีกรรมที่ไปทำแท้งโดยตรงแต่เคยนุมโมทนาบาปญุณาติเคยไปทำแท้งมาแล้วโดยพูดจาแบบมีจิตยินดีว่าเออเ อ, อดีแล้วไปทำแท้งแต่จะได้ตัดปัญหาไปจะได้ไม่เป็นภาระ เออเออแต่ไม่ได้แนะนำว่าให้ไปทําตรงนู้นเมื่อทรงผลให้บันโดนกินยาครับทําให้คุณแม่มามีอารมณ์เลตั้งแต่คนที่สี่ห้าหเจ็ดปดนี่มีกรรมประเภทนี้มารวมเงินมาเกิดตรงเนี้แต่ในระดับเออเออเหอะเหอะเออเออดีเงินดีเงินะไรมาเจอบ้าง มีลูกคุณแม่เพียงคนเดียวในจํานวนหลายคนที่ถูกยากขับออกมาได้เพราะโลกคุณแม่คนนั้นมีกรรมทําแทงมาส่งผลหลังจากที่คุณแม่ทําอย่างนี้มามาถึงที่คุณแม่มังท่านก็นจะมีกรรมที่จะไปถูกทําแทงอย่างนี้บ้างใช่ตัวลูกฝันมาที่บ้านจัดงานศพคุณย่าและเมื่อโทรกลับไปที่บ้านก็ทราบว่าเป็นเรื่องจริงนั้นก็ได้จิตได้ผูกพันเนื่องกันด้วยสายเลือดในปัจจุบัน และบุญที่ลูกจเจริญภาวนาซึ่งทำให้ใจลูกใสจะมีนิมิตบอกเหตุในฝันอย่างนั้นจ้ะท่านตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาระดับทั่วไปซึ่งยังไม่ดีมากนักจะมีอาหารเสือผ้าที่อยู่อาศัยในระดับกลางๆจ้ะถ้าได้มาหาตัวลูกจริงๆแหละจ้ะที่ท่านยกมือไหว้และยิ้มเพราะท่านได้รับบุญที่ลูกที่ปให้จึงมาอนุโมทนาขอบคุณลูกจ้ะตายแล้วทาบุญไม่ได้นี่ เราะฉนั้นก็จะได้รับบุญที่เขาอุทิศไปให้สามงลูกป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบแนไดีที่ไปเกิดจะได้ชุมชนที่มีงูเยอะเจงมักชอบตีงูที่ข้างหลังงมันจนมันตายบ้างหลังหักบ้างมาส่งผลให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสพ บุญที่ลูกนาเงินของสามีมาทําบุญให้แล้วสามีน้อมบูชาก็จะทําให้วิบากกรรมบาบๆงลงมาบ้างจ้าตัวลูกก็ต้องค่อยๆเป็นกระเบิรให้สามีไปเรื่อยๆโดยใจที่ใสๆเยือกเย็นยิ้มแยม้มแล้วก็อดทนอีกทั้งเวลาทําบุญก็ให้ใส่ชื่อของเขาด้วยแล้วติหาจีเ ท, ท, ท, ท, ทบุญนี้ไปช่วยโดยบรรดารในเขาคิดได้แล้วก็ได้คิดมาสร้างบารมีกมุขคณะจ้า พี่สะายเสียชีวิตด้วยเรามะเร็งในรังไข่พระการบานาติบาติข่าสัตวมหาและข่าขายมาโดนกับกรรมกามีเจ้าชูมาส่งผลจ้ะทำไมเป็นผู้ชายเจ้าชูเนี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภมเทวาระดับล่างพี่สะพายตั้งไปเป็นบริวารของภูมเทวาต้องอาศัยบ้านเขาอยู่ที่ไม่ได้แปลบายเพราะบุญ ที่ลูกอุทิศให้แต่เวลาวันพระก็จะมีมีมีหนอนมาขึ้นเต็มปากภูมิเทวานี้ภูมิเทวาพิสพายเนี่ยด้วยวิบากรรมดาดาว่าเจ้าของเคสเวลาทำบุญถูกต้องจ้ะที่ว่าเวลาจะาลูกมาทำบุญที่วัดกำมูกันนะจ้ะ หลยหนอนยัวเยียย่ยวยัวเยี่ยวขึ้นเต็มปากเลยเออใครยังนึกว่าโป ร, ปรโตีนฟรีนะออหายโปรโตีนแล้วเคี้ยวงับง <c oughs> นอนเคี้ยวเหล็กออมันมีแต่มันจะกินผมมะเทวานะัน<อ>งับงับห <c oughs> ยองเลยงับงับเนี่ยตอะเวลาใครก็ไปทำบุญที่ <c oughs> วัดไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ ที่ฟัดปฐมกายเราต้องสาธุอนุโมทนาจ้าจะได้มีส่วนแห่งบุญนั้นเออไปทำไปในวัดนี้รวยแล้วรวยไปทาวัดอื่นเถอะังงั้นไปทาวัดจนๆนสองร้อยหกสิบหกวัดสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เอากลัวนี่มันอย่างนี้อะมนุษย์ดีบแต่เนี่ย ถ้าคิดว่าวัดนี้รวยแล้วก็ไปทำบุญตรงนั้นวัดไม่มีคำว่ารวยหรือจนอย่าเพราะว่าสาถาวรวัตถุเนี่ยศาสนาวัต ถ, าา ถ, าาถุที่สร้างมาจากเงินของทุก ท, ทุกคนทรัพย์ทุกคนก็เป็นของกลางของวัฒศาสนาไม่ใช่ของครูไม่ใหญ่หรือของไกลๆ ใ, ในวัด จะเอาไปขายเอาไปตึงหรือไปทำอะไรก็ไม่ได้นี่ไม่มีใครรับใครรับก็ติดตะล่างนะเป็นของกลางประาทสัาให้พุทธบริษัทสี่ภูมิบุญทั้งหลายเนี่ยเขาได้มาแสวงหาความรู้สั่งสมบุญสร้างบารมีมาศึกษาธรรมะคำวิสัมาิตบุเจ้ามาปฏิบัติทม จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขทำความเม็นที่ถูกต้องตรงต่อคทา ง, งรรณปิปการในและจากวัตถุประสงค์ที่สร้างมาเหมือนเป็นโรงเรียนที่ศึกษาเรื่องราวควา ม, มจริงของชีวิตและเป็นบดุโลโรงพยาบาลที่รักษาไข้ใจไข้ที่เกิดจากกิเลสโลภโทสะโมห ก็ได้อาศัยศาสนาวัตถุที่มาช่วยกันสร้างนี่แหละให้พุทธบุตรได้นำคาสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดไม่ใช่ของใครหรอกของทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าเอามาสร้างในสถานที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวัดรวยแล้วหรือจนแล้วนั่นเน่ยสองร้อสี่สิบวัดสีจังหวัดชายนภาคใต้น่ะไช่วย ต้องไปช่วยกันนะจ๊ะตรงนั้นสาคัญหลานสาวทางพิโลกมิสพายได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครจัดงานมวย อ, อย่างว่าประทมการนั่นก็ทำให้บุญนี้ไปช่วยแม่ของเขาไม่ให้ไปอับายเลยจ๊ะโอ้ไม่งั้นไม่งั้นนี่เวลาว่ามาทำบุญที่วัดวารามนี่มีสิทธินะจ๊ะไปอับบาย รลานสะคือไปตัดลันกำลังใจของคนกาลังทาความดีลานสาวราบบารมีกหมู่คณะมาโดยพุทธนดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดากราชาตินี้แล้วก็มาช่วยงานพระศาสนาหมู่คณะแต่ตั้งความปรารถนามาว่าขอให้ได้มาช่วยงานกับหมู่คณะอีกในชาติถัดไปจะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วไว้เด็กลูกตกน้ำเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีต ได้เป็นทหารได้เคยท ร, รมานเฉลยศึกโดยการจับกดหน้าบีบค อ, อรีกข่าวนำมาทรงผลให้เป็นนักกล่าวและต้องถูกผ่าตัดคอตีบไปบีบคอเขาเนอะ <c oughs> จากเขากดลงน้ำ อ, อีกทั้งโรมน้ำเป็นโรคภูมิแพ้ด้วย ทีมสมผลปัจจุบันเนี่ยจะแก้ไขให้ทาบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ ป, ปล่อยปลาแล้วก็ที่มุกนสนไปให้พูดที่เราเคยได้ไปเบียดเบียนเขาไว้ทังกล่าวบ่อยๆจ้ะกาขค้าศึกนั้นเน <c oughs> ยบ่อยๆอีกทั้งอธิษฐานในพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกได้เป็นะหา ได้เป็นทหารพระรา ช, ชาองค์ที่ออกบูช แ, แล้วก็ลูปรอราเมศริษัยชอบน้องหญิงมากจะมีน้องหญิงเยอะแยะรักที่สุดอยู่ในบ้าน <c oughs> แต่ว่าสุดที่รักเยอะแยะห <c oughs> ลอบบ้านหลอบบ้านหอบบ้านและเลยไปอีกชอบมากเลย <c oughs> ชอบความมีน้องหญิงมาก แตมาคิดออกต อ, ตอนแก่หมดแรงแล้วอุ้ยตายลืมไปเอ๊ะเป็นไปนได้ไงเนี่ยไอย้ตอนนั้นเราเป็นหนม่มอเรามีน้องหญิงคิดได้ไงเนี่ยพอหมดแรงจึงได้ออกบวชมาอยู่กับโมกันนะ<อ>เมื่อบวชแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรง ท, ที่จะช่วยอะไรเนะี่ยแต่ก็ใจยังดี ได้อธิษฐานจิตว่าสาธุชาตต่อไปขอให้ได้มาบุกเบิกงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโอสาธุเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละ<อ>แต่ว่าถึงจะมาบวชตอนแก่มาคิดได้ตอนแก่จนแย่แล้วก็ยังมีผลการปฏิบัติธรรมพอเห็นดวงใสๆหลังจากผ่านภาพน้องสวยๆข้เอาตัวรอดกลับดูสิบุรีได้จ้า เราได้รับบุญเป็นผู้บุกเบิกวัดภาวนาโอซาก้าก็จะได้รับอนิสงค์ได้ยอกคือได้สมบัติทั้งหลายเช่นรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัตินี่ประชวนคนหน่งก็มาสร้างความดีด้วยครับมีลาบยอดสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายจ้ะส่วนสามีก็ได้เป็นกองสะบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นบางชาติก็เจอกันกมุขณะบ้างบางชาตก็ไม่เจอกันจ้ะตัวโลกก็ต้องทำหน้าที่กำลมิตกับทุกคนในใจใส่ไม่น่าเชื่อเลยนะ จากตอนรรุ่งรอดมาเป็นอย่างเนี้ยกับกองเชียร์ตัวลูกกำลังทำหน้าที่กระมิ่กับทุกคนที่ใจใสใสเยือกเยลโล่ทอกทั้งทํ า, ทาบุญทกคั้งก็ให้ใส่ชื่อทุกคนแล้วอธิษฐานจิตให้เขาได้มาร่วมสร้างบุญกับโมขนะาดจ่าชานี้มาเจะกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างประมีเต็มที่นี่ทุกบุญและอธิษฐานจิต ต, ตั้งตีวิดิสิบบุรีวงบนวิเศยเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุที่จะเป็นเรื่องราวของเคสต์ดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้